ช่วปีใหม่ล้เป็นเวลาทบทวนตัวเองเอีกแล้วประเมินผลหลายปีเราภาวนาเราก็ต้องประเมินผลนะมีารายไตรมาส ก, กับรายปีไม่ต้องประเมินรายวันรายวันประเมินไม่ได้การภาวนามันไม่เคยคงที่แข่งตลอดเวลาเราต้องดูเทรนด์ของการเปลี่ยนแปลงของตัวเองในช่วง3เดือน มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างศีล ส, สมาธิปัญญาดีขึ้นไหมความรู้ความเข้าใจชัดเจนขึ้นไหมหรือจิตไปติดข้องอะไรอยู่ในรอบปีก็ต้องประเมินว่ามีพัฒนาการหรือเปล่าถ้าหยุดนิ่งอยู่กับที่นะพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญละถ้าเร็วลงนี่ยิ่งแย่ใหญ่นะเร็วลงก็มีสองอย่างนะอันนึง กรรมฐานที่เรียนนี่ไม่เหมาะกับเราอันที่สองเราทําตัวไม่เหมาะกับกรรมฐานอันไหนจะเยอะกว่ากันขี้เกียจซะเลยเยอะนะวบางคนขอย่อนไปเลยหลวงพ่อไม่ได้เจตนาว่าหรอกเคยคุยครูบาอาจารย์บางองค์บอกจุดอ่อนของคราวาญเลยนะคือความต่อเ น, นื่อนงะไม่จริงจังอะ่ะธรรมะมของจริงนะ ว่าถ้าเราไม่จริงจังมันไม่ได้กินหรอกแต่จริงจังก็ไม่ใช่แบบบัวแบบควายเอาแรงเข้าแรกมันต้องจริงจังด้วยสติด้วยปัญญาขยันหมั่นเพียรแต่ไม่ใช่เอาแรงเข้าทุ่มอย่างเดียวการภาวนาวต้องคอยตรวจสอบตัวเองเป็นระยะระยะไปสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่านะเช่นเราหัดดูจิต ด, ดูใจอยู่ จิตมีกิเลสขึ้นมานะจิตก็ดิ้นหาทางต่อสู้กิเลสบางช่วงต่อสู้เก่งกิเลสนี้ไปหมดเลยลก็ภูมิใจถ้าฉลาดหน่อยถ้าได้ศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านสอนว่าไงท่านสอนว่าดูคราภิกษูทังหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะท่านไม่ได้ให้ทําอะไรนะท่านให้รู้ว่ามันมีราคะรู้ก็มีสองระดับรู้ด้วยสติก็รู้ด้วยปัญญาไม่เหมือนกัน รู้ด้วยสติคือรู้ถึงความมีอยู ller, ่ของราคะความเกิดขึ้นของราคะรู้ด้วยปัญญาก็คือการเห็นความจริงจิตจะมีราคะก็ห้ามไม่ได้นะตัวราคะเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อย่างนี้เรียกว่ารู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็แค่รู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นราคะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นนี่รู้ด้วยสติความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้น ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนอันนี้รู้ด้วยสติส่วนรู้ด้วยปัญญานั้นเห็นความจริงของไตรลักษณ์ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้ด้วยปัญญาเห็นเป็นไตรลักษณ์หรือเห็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ นั่งไปนา น, านๆร่างกายก็ต้องปวดต้องเมื่อยจาไปนั่งให้มันไม่ปวดไม่เมื่อยมันเป็นไปไม่ได้ก็นะ as, <c oughs> จะเห็นน JA, ะเออความปวดความเมื่อยนะ <c oughs> ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักเหมือนกันเมื่อก่อนไม่ไมีตอนนี้มีนี่เรียกว่าไม่เที่ยงมีอยู่แล้วหายไปนี่ก็ไม่เที่ยงสิ่งที่มันมีแล้วมันต้องหายไปหรือไม่มีแล้วมันต้องเกิดมีเนี่ยแสดงว่ามันไม่คงที่นะมันไม่คงที่ไม่ถาวรนี่เรียกว่าทุกขังนะมันทนอยู่ไม่ได้ แล้สิ่งทั้งหลายนะั้นถ้ามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไม่ได้เป็นไปตามใจตัวอยากนะอย่างราคะมีเหตุราคะก็เกิดราคะหมดเหตุราคะก็ดับโทสะมีเหตุโทสะก็เกิดโทสะหมดเหตุโทสะก็ดับในการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งแสดงความเป็นอนัตตาให้เห็นไม่อยู่ในอำนาจอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจมนะีอนัตตามีหลายนัยยะนะแปลว่าไม่ใช่ตัวตนถาวรก็ได้ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับก็ได้ ไ, ได้หลายอย่างถ้เราเฝ้ารู้ลงไปนะในกายในใจในธาตุในขันเนียรู้ด้วยสติคือรู้ถึงความมีอยู่ของรูปธรรมนามธรรมเช่นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ทันจิตใจดีจิตใจชั่วรู้ทั น, นจิตไปวิ่งไปที่ตาจิตไปวิ่งไปที่หูจะผูกที่ลิ้นที่กายที่ใจก็รู้ทันนี่รู้ด้วยสติ รู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นทั้งรูปธรรมทั้งนมามธรรมนะั้นะนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะไม่เที่ยงหมายถึงว่าเคยมีแล้วไม่มีเคยไม่มีแล้วกลับมีนี่มันไม่เที่ยงนะอย่างแต่เดิมเราไม่ได้รักคนคนนีนะ้ผู้หญิงบางคนความรักเกิดช้าผู้ชายเกิดเร็วนะผู้หญิงความรักเกิดช้านะคบกันนานถึงจะค่อยๆรักอะไรอย่างงีนะ้บางทีไปรู้ตอนใกล้จะตายเ น, นี่ยในนะิยายโบราณนะ กว่าจะรู้ว่ารักเนี่ยพระเอกจวนจะตายแล้วเหมือนนางอะไรนะที่สามีถูกระเบิดอะอังสูมาลินออเเนี่ยพวกความรู้สึกช้าโกบบลีเห็นทีแรกชอบแล้วเห็นไหมความรู้สึกเร็วใช่ไหมผู้ชายสันดาลอย่างนี้นจะเชื่อมันมากเ <laughs> นี่ยของไม่เคยมีนะแล้วเกิดมีขึ้นมาแล้วไม่เที่ยงของที่มีอยู่แล้วหายไปนี่แหละไม่เที่ยง สิ่งที่ไม่มีทําไมกลับมีขึ้นมาได้ความไม่มีนั้นไม่คงทนเรียกว่าเป็นทุกข์สิ่งที่มีแล้วหายไปนะแสดงว่าสิ่งที่ไม่สิ่งที่มีอยู่เนี่ยไม่คงทนหรอกนี่เป็นทุกข์มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดอยู่ไม่ได้สิ่งใดจะมีสิ่งใดจะไม่มีเป็นไปนตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสัง่งนี่เรียกว่าอนัตตาการที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยเห็นรูปธรรมนามธรรมเป็นไตรลักษณ์นี่แหละเรียกว่าปัญญาเห็นด้วยปัญญานะ เังนันที่ท่านสอนนะบอกว่าให้รู้รู้จิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคารู้ด้วยสติว่าราคาเกิดขึ้นรู้ด้วยปัญญาว่าราคานี้เป็นของไม่เที่ยงราคาเป็นของทนอยู่ไม่ได้ราคาเป็นของสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าภาวนาเป็นถ้าภาวนาไม่เป็นนะจิตมีราคาหาทางให้หายหาทางดับราคาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น ในขั้นของการเจริญสติเจริญปัญญาไม่ใด้สอนให้ละอะไรนะไม่ได้สอนให้แก้อะไรท่านสอนให้รู้ตัาความเป็นจริงความจริงก็คือไตรลักษณ์ไม่ต้องทำอย่างอื่นหรอกคอยดูความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนำมาทำเรื่อยๆไปนะก็ใช้ได้ท่านไม่ได้สอนนะวันดูรพระภิกซูทั้งหลายจิตมีราคะให้ห้ามเสียนะดูกระภิกซูทั้งหลายบังคับจิตไว้อย่าให้เกิดราคานะไม่เคยสอนนะนี่ มีแต่ว่าภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะแต่รู้นั้นเป็นสองชั้นซ้อนกันรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาสติรู้ถึงความมีอยู่ของสภาวะปัญญารู้ถึงความเป็นไตรลักษณ์คือความจริงของตัวสภาวะนะรู้สองชั้นรู้ด้วยสติอย่างเดียวจะได้แต่สมถะนะไม่ขึ้นมิปัสนาเพราะฉะั้นบางคนบอกว่ารู้รูป ร, รู้นามเป็นมิปัสนาอันนั้นเข้าใจผิดรู้รูปรู้นามยังไม่เป็นมิปัสนานะ ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นมิปัสสนาะฉะนั้นต้องมีปัญญาประกอบถึงจะเป็นมิปัสสนาขาดปัญญานะมีแต่สติอย่างเดียวเช่นนั่งหายใจไปเห็นร่างกายหายใจแล้วก็นิ่งๆ่งอยู่กลมหายใจดูท้องพองยุบนะเห็นร่างกายพองยุบจิตก็เพ่งนิ่ ง, งอยู่ที่ท้องขยับมือทําจังหวะจิตก็นิ่งอยู่กับมือนะเดินตรงกลมจิตก็นิ่งอยู่กับเท้าอันนี้ไม่ดูไตรลักษณ์ล้เห็นแต่ตัวสภาวะนะเห็นแต่ร่างกาย เห็นแต่ความรู้สึกเช่นความปวดเกิดขึ้นไปนั่งเพ่งให้หายปวดนะจิตจ่ออยู่ที่ความปวดเนะีย่ยนี้ไม่ไม่เรียกว่าวิปัสสนาหรอกไม่ได้เดินปัญญามีแต่สติรู้สภาวะอย่างเดียวได้สมถะต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยถึงจะเป็นวิปัสสนาะนี่ปัญญาจะเกิดได้ต้องมีสมาธิหนุนหลังจิตที่จะเกิดปัญญานั้นจะต้องทรงสมาธิชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานนะ ส่วนจิตที่ทําสมถานั้นทรงสมาธิชนิดทีเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิมีสองชนิดเรามีการที่เรามีสติรู้สภาวะที่เเป็นสมถะเนี่ยเราไปรู้อะไรเราไปรู้ตัวสภาวะการที่จิตจดจ่อในการรู้ตัวสภาวะอันนี้เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมาธิชนิดที่เพ่งตัวอารมณ์จิตแนบอยู่กับตัวอารมณ์จิตนิ่งอยู่กับตัวอารมณ์ได้สมถะการรมฐาน งั้อารามณุปนิชานนี่ใช้ทำสมถะกรรมฐานมีสติระลึกรู้ลมหายใจจิตแนบเข้าไปที่ลมหายใจเนี่ยจิตนิ่งนะตั้งมั่นไปแนบลงไปในลมหายใจนิ่งแนบลงไปกับลมนิ่งแนบลงไปกับท้องนิ่งแนบลงไปกับเท้านี่เป็นเรื่องของสมถะทั้งสิน้นจิตไม่หนีไปที่อื่นสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะ นี้ถ้าอยากเดินมิปัสสนาเดินด้วยปัญญาก็มีสมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานนั้นจิตไม่ได้เข้าไปแนบนิ่งอยู่กับอารมณ์แต่จิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์สภาวะจะต่างกันนะเหมือนอย่างเรายืน อ, อยู่ริมน้ําถ้าเราโดดลงไปในน้ำนะเราลงไปแช่ในอารมณนะ์ละอันนี้ได้สบายนิ่งๆอยู่งั้นนะลอยตามน้ําไปเรื่อยสบายเพลินๆไปนี่เรื่องของสมถะถ้าจิต เหม hmm. ือนกับเรายืนอยู่บนตลิ่งเห็นสิ่งทั้งหลายไหลผ่านตามน้ำมาเราเห็นน้ําไหลไปเห็นขยะลอยมาบ้างเห็นดอกไม้ลอยมาบ้างใบไม้ลอยมาบ้างใจเราอยู่ต่างหากเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากเราไม่โดดลงไปในน้ําจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากอันนี้แหละเรียกว่าลักษณะของลักขณูปนิชฌานจิตมันจะตั้งมั่นอยู่ต่างหากดังนั้นจิตกับสภาวะจะแยกออกจากกันไม่ใช่ไปรวมเข้าด้วยกันอารมณูปนิชฌานนั้นจิตกับสภาวะจะรวมเข้าด้วยกัน เช่นะนจิตไปรวมเข้ากับลมหายใจจิตไปรวมเข้ากับท้องจิตไปรวมเข้ากับเท้าแต่ละกหนูปณิชฌานนะัจิตกับอารมณ์มันแยกออกจากกันนะจิตอยู่ส่วนจิตอารมณ์อยู่ส่วนอารมณนะ์เช่นเห็นร่างกายหายใจไปใจเป็นคนดูใจไม่ไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจไม่ไหลเข้าไปอยู่ในท้องนะใจตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะมีความรู้สึกเหมือนดูคนอื่นไม่ใช่ดูตัวเราละมันจะถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้นะ เรความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่ไหล Thursday. ไปอยู่ในความสุขความทุกข์จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามันจะเห็นเลยความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่แปลกปลอมผ่านเข้ามาไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอะไรอะไรที่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าล้วนแต่ของไม่ใช่ตัวเรานะอย่างพวกเราเห็นพัดนี้ไม่มีพัดนพัดเป็นสิ่งที่จิตมันมารู้เข้านะแต่จิตอาศัยตา ม, มารู้นะ เ, เราการดูเนี่ยจิตอาศัยตา ม, มารู้การฟังนเะนี่ยจิตอาศัยหูไปฟัง สัมผัสเย็ยนร้อนอ่อนแข็งเนี่ยจิตอาศัยร่างกายนะไปสัมผัสเย็ยนร้อนอ่อนแข็งนี่ความคิดนึกปรุงแต่งเกิดขึ้นจิตอาศัยใจไปรู้ความคิดนึกปรุงแต่งเพราะฉั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นช่องทางเป็นเครื่องมือให้จิตออกไปรู้อารมณ์เท่านั้นเองเรียอกอายตนะเป็นทางต่อของจิตออกไปภายนอกเราค่อยสังเกตไปนะสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะมันอยู่ห่างๆนะโดยความรู้สึกของผู้ปฏิบัตินะมันจะรู้สึกอยู่ห่างๆ หัดไปแรกๆเนจะเห็นร่างกายชักอยู่ห่างๆแต่เดิมร่างกายกับจิตใ จ, จรวมเป็นก้อนเดียวกันนะรู้สึกว่าเป็นตัวเราตัวเราหัดไปเรื่อยๆค่อยๆดูไปเห็นร่างกายหายใจใหเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้บ่อยๆถึงจุดหนึ่งมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยร่างกายอยู่ห่างๆออกไปร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกัน ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็จะรู้สึกว่าความสุขความทุกข์นะไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่จิตใจด้วยมันอยู่ห่างๆจากจิตใจอีกนะกุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นนะจะเห็นเลยความโลภความโกรธความหลงอยู่ห่างๆนะไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอย่างเราดูอะไรที่อยู่ไกลๆนะอย่างเราเห็นพัดเนี่ยเราไม่รู้สึกนะพัดมันอยู่ห่างๆมันไม่ใช่ตัวเรานะเห็นกระติกน้ําช่้หมกระติกเนี่ยอยู่ห่างๆออกไปไม่ใช่ตัวเราหรอกนะ นีหัดใหม่ๆพอมาดูมือนี่รู้สึกมือเป็นตัวเราแต่ถ้าเมื่อไรใจมันตั้งมั่นออกมาจะรู้สึกมือนี้ก็อยู่ห่างๆแขนนี้ก็อยู่ห่างตัวนี้ก็อยู่ห่างมันจะไกลออกไปไกลออกไปตัวรูปธรรมนามธรรมานี่แหละเรียกว่าตัวโลกนะคำว่าโลกนิยามคำว่าโลกนะในทางศาสนาพุทธมีอยู่หลายนิยามนิยามมันหนึ่งก็คือรูปนามเรียกว่าโลกนิยามมันนึงก็คือหมูสัตว์ นะถ้าพูดแบบมีสมมุติบัญญัตินิยามของรูปนามคือหมูสัตว์ถ้าพูดในเชิงปรมัติ์ไม่มีสมมุติบัญญัตินิยามของโลกก็คือรูปกับนามถ้ายังพูดในเชิงที่มีสมมติบัญญัติอยู่นิยามของโลกก็คือหมูสัตว์อย่างพวกเราเป็นหมูสัตว์อันนี้พูดโดยสมมุติบัญญัติโดยความเป็นจริงแล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปกับนามเหมือนโลกนี้ถ้านิยามของโลกนะ นิยามแบบมีสมมุติบัญญัตินะก็ยังมีเป็นหมู่สัตว์นะนิยามแบบไม่มีสมมุติบัญญัติเป็นปรมาทุนล้วนสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามเราภาวนาเราเห็นรูปนามมันอยู่ห่างออกไปเรื่อยๆนะห่างออกไปถึงวันหนึ่งจิตกับรูปนามมันพลากออกจากกันไม่เข้ามารวมกันจิตส่วนจิตนะรูปนามส่วนรูปนามไม่ไม่กระทบกันไม่ไหลเข้าไปเกาะเกี่ยวกันนะจิตไหลไปหารูปนามหรือรูปนามไหลมาหาจิต ในข้อถามนักปฏิบัตินักดูจิตจิตไหลไปหารูปนามหรือรูปนามไหลมาหาจิตอืโอ้เก่งเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ไปหัดดูเยด้วยนะดูไปเล่ยดูว่าจริงๆเป็นยังไงนี่ก็ถูกแล้วแหละนะแต่ว่ามันถูกด้วยการชีนเอาเนเราไปหัดดูของจริงนะเห็นจิตมันไหล้ปจิตเกิดจากอะไร ก็จากรูปนามยุ่งเนาะจิตแล้วมาจากรูปนามเพราะรูปนามมาจากจิตเองเนาะยุ่งใหญ่นะคอยรู้ทันนะพอ ร, รู้ทันมากๆจิตมันจะพลากออกจากขันพลาดออกจากขันแยกออกจากกันจะรู้สึกอะไรรูปนามก็ส่วนรูปนามนะจิตก็ส่วนจิตไม่กระทบกันใครได้ยินคําว่าโลกุตตะระโลคุตตะระเหนือโลก โลกคือร AH ูปนามโลกุตตะละก็คือเหนือรูปนามพ้นจากรูปนามงั้นเราพภานะถึงจุดหนึ่งจิตเราวางรูปนามนะจิตวางรูปนามแล้วจิตไม่เที่ยวแสวงหารูปนามจิตวางรูปนามมันหมายถึงอะไรรูปนามมันแนบอยู่กับจิตแล้วใช่มไหมจิตไม่แสวงหารูปนามหมายถึงอะไรรูปนามกับจิตมันอยู่ต่างคนต่างอยู่นึกออกไหมจิตมันเที่ยวไปหางั้นรูปนามอยู่กับจิตก็มีนะรูปนามแยกออกจากจิตก็มีนะอ ก็ฝึกมากเข้ามากเข้ามันเห็นความจริงทําไมรูปนามมันเข้ามาอยู่ที่จิตได้เพราะจิตมันโง่มันไปหยิบไปช่วยเอารูปนามมาเป็นตัวเป็นตนคิดว่ารูปนามเป็นของดีของวิเศษนะแต่พอเราหัดเจริญสติจเจริญปัญญามากเข้ามากเข้าโดยเฉพาะในขั้นจเจริญปัญญาแล้วจะเห็นเลยรูปนามไม่ใช่ของดีของวิเศษเพ้ารูปนามเป็นของไม่เที่ยงรูปนามเป็นทุกข์รูปนามไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งที่จะพึ่งพาอาศัยได้จริง พอเราเห็นความจริงอย่างนี้แจมแจ้งในรูปนามแล้วนะว่ามันเป็นไตร ล, ลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้จิตมันจะวางวางรูปนามแล้วมันไม่ไปหยิบฉวยรูปนามใหม่ขึ้นมาด้วยรูปนามเก่าที่มีอยู่มันก็วางลงไปรูปนามใหม่มันก็ไม่เที่ยวสแสวงหาหยิบฉวยพวกเราที่ภาวนาสังเกตไหมบางทีมันก็เข้ามาเกาะกันใช่ไหมบางทีมันแยกห่างออกไปเวลาเราลงมือปฏิบัติเราจะเที่ยวหาเนื่ออกไหม พอลงมือปฏิบัตินะพอคิดถึงการปฏิบัติปุ๊บเอาแล้วใสเลยข้างในนะดูซิจะดูอะไรดีมีไหมใครเป็นบ้างเอ็นทุกคนอะ่ะพวกที่ไม่ยกคือพวกไม่รู้อะ่ะ <c oughs> จริงๆอจิตเที่ยวแสวงหาตลอดเลยสแสวงหาอารมณ์นั่นแหละสายสายสายไปเรื่อยนะแสวงหาแต่ว่าถ้ามันรู้ความจริงแล้วนะว่ารูปนามเป็นทุกข์มันจะไม่สแสวงหามจะสแสวงหาทําไมมัตัวทุกข์ทุกวันนี้เราคิดว่ารูปนามจะนําความสุขมาให้เนี่ยความไม่รู้นะ ทำให้เราเที่ยวแสวงหารูปนามเที่ยวตะครุบเที่ยวยึดถือรูปนามมาเป็นตัวเป็นตนของเราถ้าเมื่อไหร่สติปัญญาแก่รอบขึ้นมาจริงๆรู้ความจริงเรียกว่ารู้ทุกข์แฉมแจ้งรูปนามนี้เป็นทุกข์แฉมแจ้งนะไม่เห็นดีไม่เห็นวิเศษเลยเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะว่าบังคับไม่ได้นี่เป็นทุกข์เพราะเป็นใจรักษณ์นั่นเองเห็นเป็นทุกข์ด้วยมุมใดมุมหนึ่งนะจิตก็ยอมวางได้บางคน เห็นความเป็นอนิจจังก็ยอมวางบางคนเห็นอนิจจังไม่วางต้องเห็นทุกข์ถึงจะวางบางคนเห็นอนิจจังเห็นทุกขังไม่วางต้องเห็นอนัตตาถึงวางแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนิสัยไม่เหมือนกันแต่รวมความก็คือเห็นว่าขันหรือรูปนามนั้นไม่ได้เรื่องไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษไม่ใช่ของที่นําความสุขมาให้อย่างที่เคยฝันมีแต่นําความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ถ้าเห็นอย่างนี้นะจิตจะยอมวางรูปวางนามนะจิตกับรูปนามเนี่ยพรากออกจากกันแยกออกจากกัน นี่คือวิธีที่จิตจะไปสู่โลกุตตะละนะต้องเรียนรู้รูปนามจนแจมแจ้งพอรู้รูปนามแจมแจ้งจิตก็วางรูปนามแจ่มแจ้งก็คือเห็นรูปนามเป็นไตร ล, ลักษณนะ์พอวางรูปนามได้เขถึงเรียกโลกุตตะละโลกุตตะละเหนือโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามนะถ้าเรียกแบบมีสมมติบัญญาที่เรียกหมูสัตว์ถ้าเรียกแบบปรมัตดไม่ใช่คนไม่ใช่สัตวนะ์ก็เป็นรูปธรรมกับนามธรรม มสัตว์ไม่มีจริงมีโดยสมมุติมีคนมีสัตว์มีเรามีเขามีโดยสมมุติแต่โดยสภาวะแท้ๆแล้วเป็นแค่รูปธรรมนามธรรมงั้นถ้าจะเห็นถึงขั้นโลกุตระได้นะจะไม่เห็นคนเห็นสัตว์หรอกแต่จะเห็นทั้งรูปธรรมนามธรรมนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอย่างนี้นะล้างความเห็นผิดว่าเป็นของดีของพิเศษได้ ล้างความเห็นผิดว่าเป็นของดีของพิเศษได้จิตก็ไม่เข้าไปยึดถือจิตไม่เข้าไปสแสวงหารูปนามที่เคยยึดถืออยู่ก่อนก็สลัดทิ้งรูปนามใหม่ก็ไม่เที่ยวสแสวงหานะถ้าพ้นจากภาระพ้นจากทุกข์ตัวรูปนามนี่แหละตัวภาระตัวรูปนามนี่แหละเป็นตัวทุกขนะในบทสวดมนต์มีบทนะในพระสูตรมีอสูตรหนึ่งบอกว่าขันทั้งห้าเป็นภาระคนแบกภาระนะคนทั้งหลายเนี่ยชอบแบกภาระเอาไป เขาไม่พ้นจากทุกหรอกนะพระอริยะเจ้าหมายถึงพระอรหันตนะ์วางภาละลงแล้วคือวางขันห้าลงแล้วเนะี่ยแล้วไม่หยิบเวยภาละอันใหม่ขึ้นมาอีกนะก็พ้นจากทุกข์พวกเรานะบางทีเจ็บป่วยมากๆวางนะยอมแล้วทิ้งร่างกายนี้ป่วยมากอยากตายอยากตายโดยหวังนะว่าจะไปหาร่างกายใหม่อีกนะตายแล้วหวังไปเกิดอีกเกิดดีๆมีใครไมอธิษฐานตายแล้วขอไปเกิดเร็วเวเห็นไห มมีแต่ขอให้ไปเป็นเทวดาใช่ไหมขอเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าแสนสวยนะไปไหนก็มีปีกกึงเดรัชานไงไม่รู้ทำไมต้องมีปีกนะดูพ่ลึกพลึกนะดูกึงกึไงชอบกวนนะหอไม่เป็นต้องบินไปเหนื่อยตายเลยนะไม่ค่อยหวังนะว่าตายแล้วขอไม่เกิดมีไหมยากนะ นอกจากมีความทุกขมากจริงๆรงน้อยอกน้อยใจจริงๆริะสมมตายแล้วขอไม่ปุดไม่เกิดลงไปอวยพรคนอื่นสิว่าตายแล้วอย่าปวดอย่าเกิดมันเหยียบเราใช่ไหมเพราะว่าจริงๆทุกคนรักความเกิดทําไมรักความเกิดเพราะอยากได้รูปได้นามคิดว่ารูปนามเนี้จะนําความสุขมาให้มีตาตาเป็นรูปใช่ไหมมีตาจะได้เห็นของสวยๆมีหูจะได้ยินเสียงเพราะๆได้ยินคําชมมีจมูกจะได้กลิ่นหอมๆเนี้ยอยากได้อย่างนี้ มีใจจะได้คิดได้นึกให้มันไปเลยใครมีความสุขกับการคิดบ้างใครเคยเล่นอย่างนี้คิดไปแล้วมีความสุขนะจะชอบคิดเรื่องนี้ทุกวันทุกวันบางคนคิดก่อนนอนมีไหมคิดเรื่องเดียวกันทุกวันเลยก่อนนอนมีแนละ้วมียกมือนะคิดแล้วมีความสุขนะั้นหลับปุ้ยมีความสุขไปทุกวันนั้มาคิดเรื่องนี้ไม่เหมือนหลวงพ่อนะตอนเด็ ก, ดกปู่ย่าตายหญชอบเล่านิทานก่อนนอนตากระยายปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้า ใครเคยได้ยินเพราะงับฟังเราต้องรีบหลับหลับดีกว่าที่จะฟังต่อไ ป, ปฟังทุกวันฟังทุกวันยังเบื่อนะบางคนชอบคิดทุกวันนะคิดซ้ำๆคิดเรื่องเดิมอะ่ะชอบมีความสุขเนี่ยใจมีใจก็ได้ไปคิดอะไรที่มีความสุขมีตาก็ได้ไปดูของสวยมีหูได้ยินของเพราะๆได้ยินของน่าฟัง เ, เราคิดว่านําความสุขมาให้เพราะขาดสติขาดปัญญา บางทีมีตาก็เห็นของไม่สวยระหว่างของสวยกับของไม่สวยเห็นอะไรมากกว่ากันลองหันไปรับๆตัวเราสิแล้วตอบด้วยใจจริงแต่อย่าตอบเสียงดังหันไปรับๆตัวเราเลยเนี่ยเห็นระหว่างของสวยกับของไม่สวยเห็นอะไรเยอะกว่ากันเห็นไหมหันไอ้พวกนั้นมันหันไปหาของกินนะ <c oughs> ถึงไม่หันนะจมูกก็ได้กลิ่นนะ มีตานะมันไม่ใช่เห็นแต่ของสวยของไม่สวยมันก็เห็นมีหูได้ยินของดีๆตลอดไหมหรือของไม่ดีได้ยินบ่อยยังอยู่กรุงเทพนะั้นได้ยินเสียงรถวิ่งทั้งคืนเลยเป็นอิทธารลมหรืออนิจธารม <c oughs> อยู่จนชินนะไม่ได้กลิ่นไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงอากาศกรุงเทพเหม็นมากนะหลวงพ่ออยู่บ้านนอกเนี่ยเข้าไปนะกลับมานะทํำท่าจะเป็นหวัดเป็นไข้ทุกทีเลยอากาศเหม็นมากเลยคนกรุงเทพอะ่ะ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตัวจะเหม็นหรือไม่เหม็นมันหมกอยู่ในอากาศที่เหม็นขนาดนั้นนะ่ะแต่ได้กลิ่นไหมไม่ได้กลิ่นเพราะเคยชินใช่ไหมแต่ว่าถ้าได้กลิน่นตั้งใจมานาสิการตั้งใจดมกลิ่นหน่อยเ ห, หม็นงั้นกลิ่นหอมกับกลิ่นเหม็นนะกลิ่นเหม็นเยอะนะโดยภูมิของเรานี่นะมันความสุขมันน้อยความทุกข์มันเยอะเนะยกเป็นแต่หลอกตัวเองนะหลอกตัวเอง หรือบางคนบ้านอยู่ใกล้กองขยะนะยังไม่ได้กลิ่นสับเปลออยู่กระสอบทั้งวันนะไม่ค่อยเหม็นเท่าไหร่มีเคล็ดลับนะถ้าเราไปเจอศพเหม็นๆเนี่ยมีเคล็ดลับที่จะทำให้เหม็นน้อยสูตรลมหายใจช้าๆลึกๆสามครั้งแล้วจะหายเหม็นนะเรจะไปขมอยู่ในคอแทน <laughs> จริงๆแล้วพอเรามีตาระหวังว่าจะได้เห็นของดีไม่ดีเสมอไปเนี่ยถ้ามีสติปัญญานะ่าจะรู้เลยมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวนะมันเจือทุกเจอทุกแล้วทุกเยอะด้วยระหว่างสมหวังกับผิดหวังอะไรเยอะกว่ากันผิดหวังเยอะนะอากาศเย็นอยากให้อุ่นเนะี่ยอากาศร้อนอยากให้เย็นเนาะฝนไม่ตกอยากให้ตกฝนตกแล้วน้ํำมายอยากให้แห้งแห้งนะอยากให้แห้งสนิทเลยนะ พอใกล้วันลอยกระทงอยากให้น้ําใหม่อีกแล้วนะเมื <c oughs> ่อก่อนหนูพ่ออยู่เมืองกาญนะมีคลองชลประทานนะพอถึงเวลาฤดูหนาวเนี่ยเขาใจเกี่ยวข้าวลนะ้วก็ปิดน้ําในคลองนี่แห้งเลยน้ยํนะาก่อนหน้าน้ําท่วมแ ฉ, แฉะไม่ชอบกันนะพอมันแห้งมากๆนะพอถึงลอยกระทงอะ่ะมีการชาวบ้านตปร้องขอให้เขาปล่อยน้ํามา <c oughs> อยากได้น้ําอีกแล้ว นะความอยากนะ เ, นเกิดตลอดเลยงั้นทางใจเนี่ยสมหวังกับผิดหวังอะไรเยอะลองสังเกตดูมีสติตามรู้ลงไปเรื่อยจะเห็นเลยนะมันเจือทุกนะทุกนะั้นเต็มไปหมดเลยทุกจากการดูทุกจากการฟังทุกจากการได้กลิ่นทุกจากการได้รสทุกจากการสัมผัสทุกจากความอยากของใจความดิ้นรนของใจความทุกเต็มไปหมดถ้ามีสติมีปัญญาตามรู้ตามดูก็เห็น ไม่เห็นจะดีวิเศษตรงไหนเลยมีตาก็ทุกข์เพราะตามีหูก็ทุกข์เพราะหูมีจมูกก็ทุกข์เพราะจมกูกมีลิ้นทุกข์เพราะลิ้นมีกายทุกข์เพราะกายมีใจยังทุกข์เพราะใจอีกนะความสุขเป็นภาพดวงตาเล็กๆน้อยๆนะความทุกข์นี่ยืนพื้นเลยเนะนี่ยเราฝึกเรื่อยไปนะใจจะค่อยคลายความยึดถือในรูปในนามในธาตุในขันในอญญายตนะนะตาหูจมูกลิ้นกายใจคลายออกเองอะ่ะเฝ้ารู้ของจริงลงไป เ, เรื่อยจะรู้ด้วยปัญญานะ เพราะวกเราฝึกนะฝึกพัฒนาสติฝึกพัฒนาสมาธิที่ใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วได้เกิดปัญญาอาศัยสติกับสมาธิชนิดที่เป็นลักขณูปนิชฌานเป็นผู้รู้ผู้ดูจะเกิดปัญญาเห็นความจริงเลยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเป็นแต่ของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถูกบีบคั้นบีบคั้นไหมความสุขเกิดขึ้นถูกบีบคั้นไหมอยากให้อยู่นานๆนะไ ม, ไม่มีความสุขจริงอะ่ะ เวลาความสุขเกิดขึ้นใครเคยรู้สึกบ้างว่าโทษ่าเสียดายเดี๋ยวกลุ้มใจร่วงหน้าแต่เดี๋ยวความสุขก็จะหายไปแล้วใครเคยรู้สึกอย่างนี้บ้างเต็ม <c oughs> อิ่มไหมกับความสุขไม่เต็มไม่เต็มนะสรุปว่าไงดีนะเราหัดรู้นะรู้สภาวะทั้งหลายนะด้วยสติคือรู้ความมีอยู่ของมันรู้ความจริงของมันด้วยปัญญาว่ามันเป็นไตรลักษ ปัญญาจะมีได้ถ้าจิตมีสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะงั้นหลวงพ่อถึงพูดเรื่อยๆไว้ให้พวกเราท่องไว้ว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่แหละคือจิตที่มีลักธนูปนิชาน ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแสงนะรู้แล้วก็จบตรงที่รู้ไม่เข้าไปแทรกแสงงั้นพวกเราจําประโยคสําคัญไว้นะมีสติรู้กายรู้ใจถ้าจะพูดให้ถูกร้องบอกมีสติรู้รูปนามนะนี่บางคนแปลรูปนามไม่ออกก็อนุโลมเอาไม่ตรงทีเดียวคําว่ากายกับใจไม่ตรงกับคําว่ารูปนามหรอกนะความหมายไม่ตรงกันทีเดียวแต่มันเลื่อมๆกันแต่เอาแค่ว่าพอรู้เรื่อง ให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตามความเป็นจริงคือไตรลักษณนะ์อย่างไปเห็นร่างกายเป็นปฏิกูณอสุภะเรียกว่ารู้ความจริงไหมปฏิกูณอสุภะไม่ใช่ไตรลักษณนะ์ไม่จัดว่าเป็นความจริงนะเป็นการเป็นบัญญัตินะสกปรกสะอาดเนี่ยยังบัญญัติอยู่ไม่ใช่ของจริงอย่างเราว่าขี้หมาสบปรกแมงวันว่าดีใช่ไหมหอมหอมหวน พวกเราได้กลิ่นอย่างนี้หอมแมงวันได้กลิ่นก็หอมเหมือนกันไอ้นี่กลิ่นไม่เลือกอะนะไอ้นี่มันทำบุญมาดีนะเจออะไรหอมหมดเลยนะอ้าแปนโมงพอดีอ้าเชิญไปทานข้าวนิมนต์นะครับ